ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องพุทธวิธีล้างพิษโดยสมณะราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่7กันยายน2546ณพุทธสถานสันติอโศกต้องขออภัยด้วยที่เทปชุดนี้ระบบการบันทึกเสียงไม่ดีแต่เนื้อหาสาระดีจึงได้จัดทำขึ้นเผยแพร่ ขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ะจะเรียนทำสาธุชนทุกท่าน วันนี้เราก็น่าได้มาร่วมจริงๆก็เป็นร่วมแรงใจหรือว่าร่วมกำลังใจน่าให้กับญาติโยมที่เนี่ยเป็นญาติของโยมสุขขุมกิตยาเกียนนะซึ่งโยมก็อายุได้ทั้งหมด63ปีนะที่เสียชีวิตไปก็ อาจจะเพาะเจ็บป่วยด้วยโรคภัยโดยเฉพาะเป็นโรคเบาหวานการณีได้ฟังแล้วว่าป่วยอยู่หลายปีจริงๆแล้วเรื่องของโรคเบาหวานนี่เป็นกันเยอะนะอาตมาก็มีโยมพี่ชายอยู่สองคนที่เป็นเป็นจนถึงขั้นว่ามีอยู่คนหนึ่งก็ถึงขั้นต้องโดนตัดเท้าไปถึงทั้งสองข้างแล้ว ทุกวันนี้ก็จะไปไหนก็ต้องใช้เท้าอะไรขาเทีย ม, มใส่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วโรคพวกนี้มันมีอยู่สองอย่างใหญ่ๆนะที่จะทําให้เป็นอย่างแรกที่สุดก็อาจจะเกี่ยวกับวิบากกรรมที่เรามีที่เราเป็นอยู่เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องมาจากกรรมเก่าเนี่ยได้ กรรมเก่านี่ทำให้คนนั้นน่าจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นโดยเรี่ยงไม่พ้นต่อให้เป็นพระพุทธเจ้าเองเนี่ยถ้าท่านไปก่อกรรมใดเอาไว้ในอดีตก็ตามแล้วท่านยังไม่ได้ชดใช้เมื่อชาตินั้นๆที่ท่านมีชีวิตต่อๆมาแม้ต่อให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเองก็ตามถ้าถึงเวลาที่นี่กรรมที่มันมาตามทวงเนี่ยมาตามทัน เมื่อตามทันเมื่อไหร่แม้เป็นผู้เจ้าท่านก็ต้องใช้กื น, นเปรียบเหมือนกับเขาเรียกว่าหมาไล่เนื้อหมาที่อะไรเขาใช้ลา่าสัตว์ใช้อะไรพวกนี้มันจะไล่งับไล่กัดเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้เขาก็เปรียบเหมือนกับวิบากกรรมที่คอยตามเล่นงานเราอยู่ตลอดแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านก็ตัดว่า ท่านก็ต้องใช้เมื่อถึงเวลาที่มันมาถึงและท่านก็ต้องเจ็บป่วยบางครั้งท่านก็ถึงกับโออาพาธถึงกับอะไรอะโรหิตออกมาเี่ยหรือบางทีบาดเจ็บมั่งอะไรบ้างท่านก็จะต้องโดนก็จะต้องเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะให้เห็นเลยว่าถ้าใครไปสั่งสมกรรมวิบากอะไรไว้แล้วเมื่อถึงเวลานั้นหนีไม่พ้นนี่คือหลักการของศาสนาพุทธมีกฎแห่งกรรม ซึ่งเขามักจะพูดว่ายุติธรรมยิ่งกว่าเปาวุ้นจีนซะอีกเขาว่าเป่าวุ้นจีนเนี่ยุติธรรมแล้วใช่ไหมแต่โกห่งกรรมเนี่ยยุติธรรมยิ่งกว่านั้นเพราะตัดสินไปแล้วอย่าว่าแต่เป็นห้องเต้เลยหรือว่าอย่าว่าแต่เป็นใครใหญ่ที่ไหนก็นตามหนีไม่พ้นเพราะอะไรเพราะขนาดพระเจ้าเองะก็ยังหนีไม่พ้นเลยที่จะต้องชดใช้ไปตามความเป็นจริงที่ท่านกระทาไว้ ท่านก็ทำว่ายังไงท่านก็ต้องใช้ไปตามนั้นวันอย่างประเด็นแรกเนี่ยคือต้องใช้ตามกรรมส่วนคราวนี้บางทีบางครั้งอันนั้นนะ่ะเมื่อกี้นี่ถือว่าโกแทงกรรมนี่เราถือว่าเป็นเหมือนกับของเก่าที่มาตามไล่ล่าเราแต่ในชาตินี้คราวนี้ปัจจุบันเนี่ยนะการกินอยู่การใช้ชีวิตของเราอันนี้เป็นเป็นกรรมในปัจจุบันละ ไม่ใช่กรรมในอดีตกรรมในปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาเราใช้ชีวิตยังไงการกินอยู่เป็นยังไงาการพักผ่อนเป็นยังไงนะาการทำงานเป็นยังไงที่ทำให้สุขภาพเราเสียหรือเปล่าหรือว่าดียังยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเราะพเรื่องของ โรภคภัยไข้เจ็บต่างๆแม้โรคเบาหวานก็ตามอย่างโยมพี่อัตมาหรืออัตมาคิดว่าอย่างโยมสุขุมเป็นเนี่ยหนีไม่พ้นเลยอย่างแรกถ้าหมอเขาตรวจเจอใช่ไหมว่าเป็นเขาจะต้องเริ่มควบคุมเรื่องอาหารก่อนแล้วถูกไหมอันนี้อันดับหนึ่งเลยเขาเริ่มละควบคุมอาหารการกินอย่างน้อยๆโดยเฉพาะเรื่องของอะไรถ้าเป็นเบาหวานก็เรื่องของหวานเรื่องอะไรครับเพราะว่าไม่อย่างงั้นน้ําตาล มันอาจจะสูงเกินไปแล้วก็เป็นอันตรายได้วันเขาจะเริ่มควบคุมด้วยการกินซึ่งอันเนี้ยมันเป็นกรรมในปัจจุบันบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะรู้ละบางทีหมอเตือนด้วยซ้ำไปหรือว่าหมอห้ามหรือหมอแนะนำว่าควรจะกินอย่างนั้นเป็นประโยชน์ไออย่างนี้ควรงดอย่างนี้ควรเว้นเนี่ยจะมีละแม่แม่นี่โดยทางแพทย์นะโดยทางหมอเขาก็จะมีแนะนำมา แต่ตนนี้ความสำคัญอยู่ที่ว่าคนป่วยเนี่ยหรือหรือตอนแรกๆอาจจะไม่ป่วยมากก็ได้นะถ้าตอนสมัยแรกๆที่เรายังอาการยังไม่ปรากฏหรือว่าไม่เป็นมากอะไรหรืออาจจะยังยังเป็นน้อยๆอยู่บางทีเนี่ยเราอาจจะเริ่มรู้แล้วไปหาหมออ้าวเบอกว่าเริ่มเป็นแล้วนะหมอก็จะแนะนำแล้วนะแต่คราวนี้ความสำคัญจะหายหรือไม่หายหรือจะเป็นต่อไปคราวนี้อยู่ที่เจ้าตัวละ เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเป็นคนลิขิตกรรมของตัวเองแหละว่าตัวเองจะเป็นยังไงถ้าคนนั้นเชื่อหม อ, อแล้วก็รู้ว่าเออกินอย่างนี้เป็นอันตรายหรือเราใช้คำว่าสแสลงต่อโลกเขาก็จะงดจะเว้นน่าจะไม่กินหลักการพวกนี้ก็ตรงหรือว่าเหมือนกับหลักการของาศาสนาพุทธเหมือนกันพระเจ้านี่ท่านจะสอนหลักการเอาไว้อยู่ว่า เราเรียกว่าสมมัิประธานสี่นะเป็นความเพียรหรือว่าเป็นความพยายามเพื่อง่ายว่าจะแก้เนี่ยแหละแก้กายแก้ใจของเราเนี่ยแหละให้มาในทิศทางที่ดีนะเขาเรียกว่าสมมติประธานสี่อันอย่างแรกที่สุดนะอย่างข้อที่หนึ่งอย่างนี้อ่าข้อที่หนึ่งนี่คืออะไรใครพอจําได้ไหมอ่าสังวรประทานนะตัวที่หนึ่ง คือระวังไว้เลยพูดแบบ ง, ง่ายๆธรรมาพยาธิจะพูดแบบภาษา ง, ง่ายๆระวังว่าของที่ไม่ดีเนี่ยของที่เป็นพิษเป็นภัยของที่เป็นโทษกับสุขภาพของเรารู้อยู่แล้วเอาสมมติว่าขนมหวานหรือว่าอะไรเนี่ยแสลงต่อโรคสมมุติเราเป็นเบาหวานถ้ากินไปแล้วเป็นอันตรายต่อเรารู้แลนี่หมอเขาก็บอกก็เตือนนะเพราะฉะนั้นเออ ควรงดควรเว้นอย่าไปกินมันเลยเพราะนั้นของแสลงที่ยังไม่เกิดขึ้นกับเราหมายถึงเราไม่เติมของหวานไม่เติมพิษภัยใส่ตัวเราอีกเนี่ยกันไปก่อนเลยนี่คืออันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเป้าหมายหรือเป็นหลักการของศาสนาพุทธเลยถ้าใครเข้าใจนะแม้ยังจะมีพระสูตร อ, อื่นๆแม้ในโอวาทปาฏิโมกต่างๆนะอย่างที่หนึ่งเราอาจจะเคยได้ยิน สัพพ ป, ปาปรับสะอาการนังนการไม่ทำบาปทั้งปวงบาปนี่ก็หมายถึงของที่เป็นพิษเป็นภัยแต่นี่เป็นพิษทังเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของเราซึ่งถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งกิเลสเนี่ยถ้าจะว่าไปมันก็เป็นโรคภัยอย่างหนึ่งที่ใครเสพเข้าไปแล้วเดี๋ยวคนนั้นก็เป็นโรคแล้วก็ต้องมารักษา วันอย่างแรกเลยจะต้องป้องกันก็คืออย่าเอาของเสียอย่าเอาของไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเราวันเมกี้นี้พูดถึงเรื่องอาหารการกินถ้าเป็นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยรู้เลยอะไรหวานๆมั่งแหละที่จะเป็นภัยคราวนี้มันต้องฝืนใจแล้วใช่ไหมต้องหัดบังคับใจแล้วบางคนอยากกินในนี่ชอบกินไอโนนนะโอ้โหพอพอพอเห็นเข้าหูบางทีชักน้าลายไหละนะบางที คือน้ำลายเอื้ออือื๊อื๊อตัดสินใจอยู่ว่าจะกินดีไม่กินดีเพราะหมอก็ห้ามอานารมาเคยตัวอย่างมาแล้วนายโยมเนี่ยเป็นเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งปรากฏว่าหมอห้ามห้ามห้ามห้ามเพราะว่าติดเหล้าติดบุหรี่เคยเคยสูบเคยกินเคยดื่มมาห้ามใหม่ๆนี่ตอนให้ก้นให้เว้น โอ้โห oh, หม อ, อพูดไปแล้วก็เชื่อแต่ทําไปได้แป๊บเดียวอะในที่สุดเนี่ยสิ่งที่มันร้ายกว่าเอะเบอร์บรีหรือว่าขนมหวานเนี่ยมันคือใจที่ติดอันนี้มันร้ายที่ทําให้พอมันติดเข้าไปแล้วคราวนี้ถึงเวลาที่ถือว่าเป็นของแสลงแล้วเราต้องงดเราต้องเว้นเราต้องอย่าไปกินมันอย่าเอาของใหม่ที่ไม่ดีนี่เติมเข้ามาอีกในตัวเราเพราะจะเป็นอันตรายแต่ ฝืนใจไม่ไหวถ้าใครเนี่ยโดยปกติปล่อยตามใจตัวเองบ่อยๆปล่อยตามใจตัวเองบ่อยๆคนนั้นไม่เคยฝึกฝืนใจไม่เคยฝึกที่จะบังคับใจตัวเองไว้เลยวันพอคราวนี้เนี่ยแม่ป่วยแล้วนะลําบากแล้วนะบางทีสุขภาพร่างกายแย่แล้วนะแต่ก็ฝืนใจไม่ได้ทั้งที่รู้ว่ากินเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะต้องเจ็บหนักวันนี้จะต้องเป็นอันตรายแต่ใจที่อยากมันมากกว่าวันาะในที่สุดนี้ กินหรือว่าเสพเข้าไปเพราะอันนี้ใครเนี่ยป่วยแล้ว เ, เป็นโรคภัยอะไรจะอยู่ได้ยาวนานแค่ไหนต้องเริ่มแก้ที่ตัวที่หนึ่งตัวนี้ก่อนให้ได้เพราะถ้าแก้ที่ตัวที่หนึ่งตัวนี้ไม่ได้รับรองนะแค่ว่าจะอยู่ได้ยาวนานแค่ไหนโรคนั้นเป็นโรคร้ายแรงหรือว่าโรคเบาๆนั้นนั่นเองถ้าร้ายแรงอาอาจจะสุดหนักเร็วแต่ถ้าไม่ร้ายแรงก็อาจจะ สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเอาพิษใส่ตัวอยู่เรื่อยเลยอยู่เรื่อยเลยทั้งทั้งที่รู้ว่านี้คือของแสลงของเราแต่ยังเอาใส่ไปเอาใส่ไปมันสังวรประทานเนี่ยตัวที่หนึ่งพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าสังวรไหนะคำว่าสังวรก็คือต้องระมัดระวังอย่าเผลอใจอย่าปล่อยใจอย่าตามใจคุณจำอันนี้ไว้ดีนะอย่าเผลอใจ แล้วก็อย่าปล่อยใจแล้วก็อย่าไปตามใจมันเพราะเราจะต้องฝึกฝืนใจเพราะนั้นถ้าใครฝืนสำเร็จนี่แหละทำไมพูุ้ทธเจ้าท่านใช้คำว่าว่าประทานประทานนี่หมายถึงความเพียรเพราะั้นโอ้โหต้องใช้ความขยันหมั่นเพียร น, นะหรือพูดง่ายๆใช้ความอดทนใช้ความที่จะต่อสู้กับกิเลสใจของเราสู้ยังไงต้องระมัดระวังเพราะใครประมาท ก็จะไม่ระวังเมื่อประมาทไม่ระวังเดี๋ยวก็แพ้กิเลส ข, ของเก่าที่เราสะสมเอาไว้แล้วบางคนโอ้หสะสมไว้หนามากมากจนกระทั่งบางทีอาจจะสู้ไม่ได้เลยเพราะอย่างที่อาตามาเคยบอกให้ฟัง่ะว่าญาติผู้ใหญ่นะั่นแ่ะจนในที่สุดตรังแล้วอดใจไม่ได้อดความอยากไม่ได้ในที่สุดก็กินเหล้าสูบบุหรี่ต่อไปเลิกได้แป๊บเดียวเลิกได้พักเดียว แล้วในที่สุดมันก็แสลงจริงๆอะมันก็เหมือนกับเอาพิษใส่เข้าไปในตัวสะสมไปเรื่อยอันนั้นก็เหมือนกันในที่สุดต่หลังเนี่ยเส้นเลือดมันก็ตีบตันเดินไม่ได้จนในที่สุดลายนั้นก็ต้องตัดขาทิ้งอีกเหมือนกันเพราะอันนี้เป็นบทเรียนที่ให้เห็นเลยว่าอย่างแรกที่สุดเนี่ยอะไรที่เรารู้ว่าเป็นพิษภัยอันนี้เนี่ยอาตมาพูดหรือยกตัวอย่างในแค่เรื่องของอาหารการกินเรื่องของการเสพ แต่จริงๆแล้วเนี่ยแม่อื่นๆเนี่ยที่เสพเข้าไปแล้วเป็นพิษซึ่งเรารู้ว่าอย่างนี้เป็นพิษเป็นภัยกับเราไม่ควรทำไม่ควรไปยุ่งเดี่ยวกับมันไม่ควรไปเข้าใกล้มันเรารู้แล้วพยายามสิเว้นห่างออกมาอย่าไปใกล้ๆเพราะว่าเดี๋ยวติดเชื้อได้เพราะถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะระมัด ร, ระวังตัวเราไม่ให้ต้องไปมีอย่างนั้นไม่ให้ต้องไปเป็นอย่างนั้นถ้าข้อที่หนึ่งนี่เราทาได้ ด้วยความขยันด้วยความอดทนแล้วคราวนี้บอกแล้วว่าตอนนี้อยู่ที่ว่าอดทนหรือว่าขยันไปได้กี่มากน้อยบางคนนี่ขยันได้แค่เขาเรียกว่ามาตีนต้นขยันได้แค่แป๊บเดียวเหมือนเหมือนบางคนมาตั้งตาบะเนี่ยเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาบางคนมาตั้งตาบะมาตีนต้นนะทําได้อาทิตย์แรกหลังจากนั้นแล้วก็มาล้มแล้ว มาลมน่ะ ว, วิ่งไม่ออกวิ่งไม่ไหวเพราะว่าใจมันอยากในที่สุดก็เลยอะจะกินจะเสพจะอะไรตามใจก็เป็นไปอย่างนั้นอีกเพราะอันนี้ถ้าเราเรารู้เราเข้าใจตรงนี้ได้เราจะโอ้ต้องตั้งความเพียรเสร็จแล้วเพียรยังไงข้อที่สองคราวนี้ถ้าเราพยายามของใหม่นี่ที่เป็นพิษนี่กันไว้แล้วไม่ให้เข้ามาเมื่อพิษใหม่เนี่ยไม่เสริมเข้าไปในตัวเรา เพราะฉะนั้นอย่างน้อยพิษที่มีอยู่ในตัวเราอ่ะนี่ยังไม่ได้เอาออกเลยนะยังไม่ได้พูดถึงพิษที่มีอยู่เอาออกนะแค่ประเด็นแรกเนี่ยคือพิษใหม่อย่าเอาเข้าหลักการของศ า, ศาสนาพุทธพิษใหม่อย่าเอาเข้าเพราะถ้าคุ้นคืนอาตมานึกถึงเรือสกรัมมึงเนี่ยแล้วมันมีรูรั่วใช่ไหไมึกน้ำก็จะเข้าเรืออยู่ใช่ม αι? เสร็จแล้วก็ปากฏว่าเป็นไงเราก็ไอ้น้ามันเข้าเรือเราก็ตักออกน้ําเข้าเรือเราก็ตักออกคุณว่าเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราเอาแต่ปล่อยให้น้ามันลวก เ, เข้าเข้าเรือมาเนี่ยเราคอยจะตักออกอย่างเดียวเป็นยังไงถ้าคุณตักทันเออมันก็คงช้าหน่อยแต่เดี๋ยวคุณก็ต้องเมื่อยจนได้อะถูกไหมวันที่ถูกต้องอย่างแรกคือต้องอยังไงก่อน ต้องรีบอุดรูเลือรูรั่วของเรือนี้ให้ได้ก่อนเพราะนี้คืออย่างที่หนึ่งเลยถ้าใครไม่เข้าใจอย่างนี้นะคุณเอาแต่จะตักออกคือพูดง่ายเมื่อมีพิษเข้ามาในตัวเราแล้วมีแต่จะเอาออกนะ<ม>แต่ในในขณะที่อันนั้นนันจริงจมันเป็นขั้นที่สองมันไม่ใช่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งี่คืออย่าให้พิษเข้าเรือให้ได้ก่อนหรือเข้าตัวเรานั่นเองอันเนี้ใครต้องเข้าใจขั้นตอนนี้ให้ถูกต้อง ถ้าเข้าใจได้คราวนี้รีบอุดใช่ไหมรีบอุดทิ้งซะ ก, ก่อนอ่าพออุดได้ค่อยมาตักน้ำออกจากเรือนั้นถึงจะเป็นคราวที่สองเพราะนั้นพอสังบนประทานไปแล้วมันถึงจะมาถึงประานประทานนะเรียกว่าต้องจัดการพิษที่มีอยู่เนี่ยของเก่าที่เราสะสมเอาไว้อะไรบ้างล่ะที่เป็นของไม่ดีเราติดขนมเราชอบขนมอตมาบอกแล้วคุณจะ แค่บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไม่เป็นไม่ไปตลาดใครอะเขาใครถือขนมหวานมาไม่มองไม่หายใจเดินผ่านไม่หายใจจะได้ไม่ไม่ดมกลิ่นจะได้ไม่เกิดความอยากแล้วคุณจะกั้นไม่ได้สักกี่มากน้อยใช่ไ้มล่ะวันอันนั้นอะจริงเราก็พยายามทําด้วยแต่ขั้นที่สอง ต, งตามมาโดยเฉพาะอาตมาบอกแล้วใจที่มันอยากนี่แหละที่เป็นตัวปัญหามากเลย ก็มันยังอยากกินอยู่อ่ะอยากกินอยู่อ่ะถ้าคุณไม่ลดใจที่อยากอันนี้ซึ่งใจที่อยากอันนี้มันเป็นพิษร้ายนะที่ทําให้เนี่ยเป็นพิษเป็นเชื้อที่เราสะสมมาไม่รู้ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วใ้ความอยากจะกินของหวานหรือบางคนติดทุเรียนติดอะไรม้างอะ่ะแล้วแต่จะติดอ่ะใช่ไหมมันสะสมมามากพรุนคราวนี้จะต้องถอนออกละถอนออกไม่ใช่กินทุเรียนลงไปแล้วก็ไง อวกออกอามาเลย อ, อันนั้นไม่ใช่ถอนออก น, ะนั่นไม่ใช่วิธีการวันวิธีถอนจริงๆก็คือถอนความอยากกินของเราแล้วจะถอนยังไงไอความชอบความติดความอยากเพราะมันติดอยู่ที่ใจถอนยังไงประหารเนี่ยจะประหารมันซะจะลดไอความอยากนี้ลงคนี่ก็ต้องมาใช้การพิจารณาแล้ะจะต้องมาดู มันเป็นทุกข์มันเป็นโทษภัยยังไงเนี่ยกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวน้ําตาลยิ่งเพิ่มนะถึงกินของหวานเข้าไปเราอาจจะถึงแก่ความตายเราตายแล้วนี่โอ้โหบางทีลูกหลานหรืออีกหลายคนต้องเดือดร้อนตามมานนะหรือเขาจะต้องทุกข์เขาจะต้องเศร้าโศกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากพิจารณาไปเราจะเห็นเลยว่าไอ้ที่เราสะสมความอยากกินอยากมีอยากได้อันนอนี้ที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตั ว, ตวเรานี่ นะมันก็จะค่อยๆคลายลงเพราะเราเห็นทุกเห็นโทษภัยเห็นอันตรายเห็นความไม่ดีของมันต่างๆนาน า, น า, นาอันเนี้ยเป็นการถอนเหมือนกับเราอุดรูรั่วของเรือแล้วแล้วเราคราเราตักน้าออกละถ้าโดยรูปประธรรมทั่วๆไปที่เขาใช้กันในในทางแพทย์ทางหมอทางอะไรนะเขาก็ใช้วิธีเอาพิษออกเด้กเขามีเยอะแยะ หลายวิธีการนะบางคนก็อันนี้พูดโดยรูปธรรมก่อนบางคนก็ใช้ดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหมเขาใช้ระบายนะดื่มน้ำแบบมีสูตรจะเขาให้ตื่นเช้ามาหน้าดื่มน้ำเปล่าเนี่ยแหละกินเข้าไปต้องเท่าไหร่ไม่รู้นะเป็นลิตรหรือเปล่า <laughs> ลิตรหนึ่งใช่ไหมอย่างน้อยๆอ่าเป็นการรักษาสุขภาพเป็นการที่จะช่วยระบายหรือว่าช่วยขับถ่ายหรือบางทีเขาก็ กินแต่เฉพาะอะไรนะพวกน้ําผลไม้อะไรที่มันจะช่วยระบายช่วยขับถ่ายหรือแม้แต่กูจะกินยาถ่ายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ถิดว่าเออจะระบายเอาของพิษของเสียไปหรือสมุนไพรบางอย่างที่ช่วยระบายออกได้เนี่ยเขาก็จะกินเพื่อที่คราวนี้โดยร่างกายเนี่ยก็จะเอาพิษออกหรือทุกวันนี้ก็จะมีวิธีการดีทนะ็อกก็คืออะไรใช้กาแฟ สวนล้างลาไส้เอาพวกพิษเอาพวกอะไรที่ไม่ดีออกอันนี้เป็นโดยรูปธรรมแต่ตอนนี้โดยทางใจมันมันทำอย่างนั้นไม่ได้โดยทางใจก็เลยต้องศึกษาธรรมะต้องเรียนรู้สัจธรรมต้องเรียนรู้ความจริงของชีวิตแล้วก็จะต้องรู้ความจริงให้ได้ว่าถ้าอย่างนี้แล้วมันเป็นทุกข์ถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วเออเราจะพ้นทุกข์มาได้เมื่อศึกษามารู้อย่างนี้แล้ว ตอนเอาออกนี่สินะฝืนใจที่จะเอาสิคราวนี้โหชอบกินอยากโดยเฉพาะเวลาไปอะไรเขาเรียกว่าประเจิญหน้ากับข้าศึกในสมรภูมิในสงครามสมมติว่าชอบกินทุเรียนอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ทุเรียนอยู่ซึ่งๆหน้าแหละเห็นแล้วอย่างเงี้ยนั้นะเขาก็แกะกันโอ้โหกินก็โชยมาพอดีอยู่ใต้ลมพอดีหนะลมก็พัดมาโอ้โหเข้าจมูกล้วคนที่ชอบเขาก็ชอบจริง เก็ติดจริงๆนะ่ะตอนนี้แหละคุณเอ้ยนะอาการเริ่มกำเริบนะพิษที่สะสมอยู่เริ่มกำเริบแล้วมันถึงบอกแล้วอะไรจะมาช่วยได้อะไอ้ภายนอกเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวก็รีบหนีจากตรงนั้นซะนะหรือหลบจากตรงนั้นซะอย่าไปดูอย่าไปเห็นอย่าไปมองอันนั้นเราเรียกว่าสมถะนะใช้วิธีแก้แบบสมถะแต่บางทีมันโอ้โหมันหนีไม่พ้น ก้าวขาก็ชักก้าวไม่ค่อยออกนะมันจังงังอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะมันไอ้ทุเรียนมันตึงขาไว้บางทีก้าวชักไม่ค่อยออกนะเพราะนั้นคราวนี้มันต้องใช้จิตของเราแล้วต้องใช้พลังจิตวันถึงบอกว่าถ้าไม่มีวิปัสสนาไม่มีการใช้ปัญญาที่รู้สัจจะรู้ความเป็นจริงพิจารณาเอาไว้เนี่ยเอาไว้ที่จะสู้เอาไว้ที่จะเวลาที่ไอ้เกิดตัวนี้เกิดขึ้น ใช่เราต้องมีทหารนนะี่ยไง่มีกำลังที่จะเอามาสู้กับมันสู้กับข้าศึกคือกิเลสเอากำลังเนี่ยมาสู้กับมันได้ถ้าคุณไม่มีกำลังเลยคุณไม่มีไพรพลไม่มีอาวุธอะไรที่จะสู้กิกเลสเลยพอเวลามันมาเล่นงานเราเอาก็ตายสิไม่รู้จะสู้มันยังไงเพราะฉะนั้นคราวนี้แหละการฟังเทศฟังธรรม การได้วิปัสนาวิปัสสนานี่คือการพิจารณาให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงในะวันนี้คือทุกนี่คือกิเลสนี่คือตัวมาร น, นี่คือตัวที่จะทําให้เราเนี่ยกินเข้าไปเป็นของแสลงทําให้เราเนี่ย ย, e. ย, ยิ่งทุกยิ่งเกิดโลกภัยหนักวันนี้เนี่ยมันพิจารณาจนเห็นอย่างเงี้ยตามความเป็นจริงขึ้นมาได้แล้วพอเห็นอย่างเงี้ยมันถึงจะเออไม่อยากได้แล้วไม่อยากเอาอย่างนี้ไม่อยากมีอย่างนี้แล้วมันก็ ใช้พลังกิตเท่าที่มีของเราเนี่ยสู้กับกับความอยากตรงนี้สู้ได้น้อยหน่อยก็ชนะน้อยหน่อยสู้ได้มากหน่อยก็ชนะมากหน่อยแต่คนนี้ไม่ละความเพียรเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นสาคัญเลยพระเจ้าถึงตรัสวิริยนทุกขมะเจติคนเราเนี่ยจะพ้นทุกได้เพราะความเพียรเพราะมีหลายคนมีความรู้ แม้แต่หมอเองดึงซ้ำไปตัวหมอเองเนี่ยมีความรู้นะว่าไม่ควรกินอะไรนันควรทำตัวอย่างย่างยี้แต่หมอเองก็บางทีเป็นโรคท่านั้นเนี่ยอ่าเพราะอะไรเพราะถึงเวลาจริงๆเข้าตัดใจไม่ได้เหมือนกันอดไม่ได้เพราะในที่สุดก็เสพอย่างนั้นหรือกินอย่างนั้นแล้วก็ป่วยอย่างนั้นเพราะอันนี้ถึงบอกว่าไม่ใช่แค่ความรู้เท่านั้นเรารู้แล้วต้องลงมือทำให้สําเร็จให้ได้ สำเร็จได้น้อยหน่อยเราก็อ่าก็อยู่ไปได้มากขึ้นอีกหน่อยนะถ้าสําเร็จได้มากกว่านั้นโอ้โหอาจจะหายจากโรคนั่นเลยโรคนั้นอาจจะหมดไปจากเราได้เลยนะอันนี้เป็นเป็นข้อที่สองนะเราเรียกว่าประหารประธานนะส่วนข้อที่สามเนี่ยจะเป็นภาวนาประธานข้อนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในลักษณะที่ว่าเมื่อเราเนี่ยพิท ใหม่ป้องกันไว้ไม่ให้เข้าพิษเก่าเอาออกเสร็จแล้วคราวนี้เอาแต่พิษออกเอาแต่พิษออกอ้าแล้วชีวิตคนเราจริงๆแต่ละวันเนี่ยมันมีแต่เอาออกก็ปะชีวิตจริงๆของคนเนี่ยมีแต่เอาออกไหมมันไม่ใช่มันต้องมีเอาเข้าด้วยคุณหายใจออกอย่างเดียวได้ไหม <c oughs> คุณหายใจออกอย่างเดียวคุณไม่หายใจเข้าก็เรียบร้อย นะถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสัจจะว่าเอาออกต้องมีเอาเข้าแต่ตอนนี้พอภาวนาประทานเนี่ยพระเจ้าทั้งให้เอาเข้าในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่ไม่แสลงต่อเราแล้วตอนนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นเกื้อกูลจะทําให้เรานี่ยิ่งดีขึ้นกายก็ดีขึ้นสุขภาพร่างกายจิตใจก็ยิ่งดีขึ้นนะทำให้เบิกบานทําให้สดชื่น ไม่ใช่พอเอาอะไรเข้ามาแล้วก็น่ายิ่งเหี่ยวลงเหี่ยวลงเอา้าอย่างนี้จะเอาเข้ามาทําไมอย่างเช่นมีคนเข้ามาว่าเรายกตัวอย่างมีคนเข้ามาว่าเราเอา่าสมมติเนี่แหละเอาว่าเนี่ยสมมุติว่าเอาเขารู้ว่าเราเป็นเบาหวานสมมุตินะเสร็จแล้วก็เอา้านี่ไปกินขนมได้ไงยิ่งกินเดี๋ยวยิ่งเป็นใหญ่นะเอา้าสมมุติเนี่ยเข้ามาว่าเราเอาล่ะแล้วเป็นไงคราวนี้ แล้วเอาคําของเขานี่เอาเข้ามาใส่เสร็จแล้วโอโหว่าเราอย่างงั้นว่าเราอย่างงี้ไม่ชอบใจไม่พอใจคุณว่าไอตอนเนี้ยคําที่เขาว่าพวกนี้เนี่ยเอาเข้ามาแล้วเป็นยังไงสำหรับใจเราเออเป็นทุกข์หรือพูดง่ายว่าถ้าเอาเข้ามาอย่างงี้เป็นพิษอีกแล้วเพราะนี่ต้องกลับไปที่ข้อที่หนึ่งใหม่คุณต้องรู้ว่านี่ถ้าเอาเข้ามาอย่างนี้แล้วแล้วคุณคุณ เอาเข้ามาแล้วคุณก็ไปคิดในทางลบคุณก็คิดในทางที่มันไม่ดีมาด่าเราทำไมมาว่าเราทำไมนี่อดมาตั้งหลายวันแล้ววันนี้เพิ่งจะกินนั่นเนี่ยนะ <c ười> แต่จริงๆคนที่เขามาว่าเนี่เขาหวังดีะนะ <c ười> เขาไม่อยากให้เราต้องเจ็บป่วยได้ไข้อะไรอีกแต่ทันทีเลยถ้าจิตเราเนี่ยมันแง่ลบซะแล้ววัพอรับเข้ามาเพรามันก็คิดแง่ลบคิดแง่ลบคิดแง่ลบวันตอนนี้คนนี้เริ่มเอาพิษเข้ามาสู่ตัวอีกแล้ว แต่เป็นพิษทาง จ, จิตใจเพราะอันนี้ไม่ใช่เพราะบอกแล้วว่าถ้าภาวนาประทานเนี่ยเราต้องทําให้เกิดผลต้องทําให้เป็นผลสําเร็จต้องเป็นทําให้มันดีขึ้นมาเนี่ยก็หมายถึงว่าเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้ามาไม่เกียงว่าเข้ามาด่าเราก็ตามต่อให้เนี่ยเข้ามาเตือนเข้ามาว่าเข้ามาติอย่า ก, กินเล ย, ย ก, กินแล้วเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้เขาติด้วยอาการที่เราไม่ชอบเลย นะทำตาพองๆทำเสียงดังๆทำหน้าดุๆเราก็เริ่มคิดผดดู้ดีๆหน่อยก็ได้ทำไมต้องเสียงดังกับเราด้วยอ่ายอย่างนี้แงล่ลบแต่ถ้าเราคิดในแง่บวกนะคุณดูนะโอ้โหคนนี้นี่แหมปรารถนาดีกับเราเหลือกเกินนะจริงใจจริงจังกับเราเหลือกเกินโอ้โหแหมกล้าเตือนเราถึงขนาดนี้อะ ถ้าถ้าคนไม่ไม่ไม่จริงใจกันจริงมาเตือนอย่างนี้ก็ต้องรู้สิว่าถ้าเตือนกันอย่างนี้เดี๋ยวโกรธน ะ, ะว่า น, นี้นี่เนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราที่เราเนี่ยฝึกมายัางไงถ้าเราฝึกมาแล้วเรารู้จักคิดในแง่บวกจริงมันก็คิดเป็นแง่บวกแล้วใช่ไหมคราวนี้คำเตือนของคนนั้นมีผลทันทีเลยมีผลที่ดีกับเราคราวนี้เออเราก็ฟังแล้วเ อ, อจริงที่เขาเตือนมาเนี่ยถูกเออเรายอมรับแล้วก็จริงด้วย บางทีกำลังอยากกนะ็น่ามือกำลังไปแลกำลังไปแล้วกาลังจะถึงจะถึงอยู่ละโอ้โหพอเจออย่างนี้เขาว่าหดเลยเรารู้สึกว่าเออไม่ควรกินเนี่ยไม่น่ากินเนี่ยอย่างนี้แสดงว่าคนนี้รับสิ่งที่เขาติงสิ่งที่เขาเตือนเขามากลายเป็นประโยชน์สำหรับคนนี้ได้นี่แหละคือลักษณะของภาวนาประทานคือเราเริ่มเอาเข้ามาในสิ่งที่ดีดฟังดีดีนะเอาเข้ามาในสิ่งดีดี ไอ้คำว่าดีๆนี่คือจิตของเราที่คิดเป็นถ้าจิตของเราคิดเป็นมันจะดีแต่ถ้าจิตคุณคิดไม่เป็นมันกลายเป็นไม่ดี